เห็นหลังการสบายหลังภาวนาในตัวการสองธรรมะ <c oughs> วันนี้เป็นวันประชุมที่เตะประชุมอยู่บ่อยก็แขกมาบ่อย <c oughs> แต่วันนี้มีแขกหลายกว่เช่นนะี้นะทั้งแคนาดาทั้งฝรั่งเศสทั้งกรีกทั้งโปรแล้วก็ไทยด้วย <c oughs> ทุงเดือนะซุมกันต่างชัติต่างคนต่างหมู่มาสแสดงบุญสแสดงความสุขถึงจะเกิดวิงต่างถิ่นต่างแดนกันก็ตามมนุษย์เกิดมาสอการปรารถนาความสุขความสบายเดียวกันตรงนั้นถึงเื่อความสุขแล้วไม่ว่าจะมนุษย์ตัดถั่วไปมันก็ปรารถนาะ หาความสุขเหมือนกันแต่การหาความสุขนั้ น, น, น, น, นโดยส่วนใหญ่เรามุ่งไปทางอามิกิจว่าได้อย่างนั้นได้อย่างนี้จะมีความสุขความสบายมีความคิดความเห็นของปุถุชนคนหนาทั่วไปมักเป็นอย่างนั้นแต่ทางศาสนาท่านสอนว่าความสุขนั้น อยู่ที่ความสงบถ้ามีความสงบแล้วความสุขย่อมเกิดขึ้นถ้าไม่มีความสงบถึงจะมีสิ่งอื่นมากมายขนาดไหนก็ไม่มีความสุขให้ความสงบเป็นปัจจัยที่จะให้เกิดความสุขความสงบนั้นความสงบทางกาย ก็ทำให้กายสะดวกสบายมีความสุขถ้าหากกายไม่มีความสงบมีโรคภัยเหยียดเยียนบันทอนอยู่เรื่อยจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินจะดื่มไม่มีความสะดวกสบายเพราะโรคภัยเหยียดเยียนกายก็หาความสุขความสบายยาก พูถึงทางกายกูดถึงทางใจก็ทานองเดียวกันพ้าหามีชีลด์ปัญหามีอารมณ์สัญญารบกวนใจบ่อยใจก็เหม่มีความสงบให้เมื่อใจไม่สงบความสุขทางใจก็ไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความสุขึงเกิดขึ้นจากความสงบความสงบ เราจะรักษาอย่างไรเราจรึงจะสงบได้ใ น, น, นเรื่องทุกคนควรฝัคนคิดที่จะเรีนาหาความสงบในตัวของตัวความสงบทางด่านธรรมะทางด่านศาสนาทางด่าน จ, จิตใจพระพุทธเจ้าทรงแน้สอน าทาดพุชนทั่วไปให้พยายามสังวรรักษามีสติปัญญาดูแลจิตใจของตัวเองฉลาดจ่ใช้ขับไล่อารมณ์สัญญาต่างๆที่มาเกี่ยวข้องในจิตในใจให้ตกไปหาดไปหมดไป หาคนที่มีอารมณ์สัญญามากเท่าไรใจของคนนั้นจะไม่มีวันเวลาสงบายแสบไปตามอารมณ์สัญญาอยู่เรื่อยๆจิตไม่สงบจิตไม่มีกาลังจิตไม่มีควา ม, มสุขเพราะอารมณ์สัญญามารบกวนจิตใจแล้วจะต้องตั้ง จิตเอาไว้ไม่ให้ไปเกาะเกี่ยวกับอารมณ์สัญญาถึงผ่านมาหรืเกิดขึ้นเราจะไม่ติดตามเรื่องสัญญาอารมณ์หนึ่งนั้ น, ญญาา น, น, นตั้งมั่นอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งใ้จิตเข้าถึงพระพุทธธรรมพาะสงทีนี้พุทเจนายึดธรรมะ ไว้ในใจของตัวสิ่งใดที่เป็นฝ่ายชั่วฝ่ายเสียเป็นฝ่ายอาธรรมน่าจะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นกับตนกว่าตามจนมากว่าตามเราหักห้ามจิตใจเอาไว้ไม่ทรงออกไปเกี่ยวข้องหรือติดตามอารมณ์เราจะต้องมีสติมีปัญญาแนสอน ใจทองตัวอย่างนั้นตั้งมั่นอยู่ในอจในธรรมเสมอไปถ้าหากเราไม่ฉลาดถึงเราจะอยู่ในปา่าในเขาที่ภายนอกสงบเงียบใจไม่มีโรคไทยเหยียดเบียนแต่เรื่องของใจปุ่งปรุงจิตนึก ความสงบภายนอกมีแต่ความสงบภายในไม่มีมีแต่คิดแต่ปรุงไอดีฐานมาในสาว่ะกี่วันกี่คืนกี่เดือนกี่ปีมันก็นำมาคิดมานึกไอนาคทดยังไม่ถึงมันก็ปรุงไปคิดไปถ้าเราปล่อยสติปล่อยปัญญาเลิดเทอให้เกี่ยวข้องกับ สัญญาอารมณ์อย่างนั้นจิตใจของเราท่านก็จะไม่สงบเมื่อไม่สงบ ก, ก็ไม่ประสบความสุขให้ความสุขของใจอยู่ที่ความสงบเลาจะต้องรักษาเพราะทุกคนปรารถนาความสุขเมื่อใจไม่สงบมันก็ไม่ประสบความสุขให้แังนั้นจึงรักษาใจของตนให้สงบ จากสัญญาอารมณ์ต่างๆที่มาเกี่ยวข้องมีปัญญารักษาจิตใจการคิดปรุงเรื่องนอกนอเรื่องต่างๆอยู่ในบ้านในช่องเราก็คิดปรุงได้อยู่ในป่าในเขาเราก็คิดปรุงได้แต่ระยะที่เรามายิ่งภาวนาเขาวัดเาวา มาทำความสงบจิตเราจะต้องรักษาถ้ามีสติอารมณ์สัญญาที่เกิดขึ้นผ่านมามันจะต้องทราบทุกระยะทุกเวลาสิ่งใดคือควรขับไล่ใส่ส่งมันออกไปก็ขับไล่ออกไปไม่ให้มาบรบกวนเกี่ยวข้องกับจิตใจของตนพอจิตได้ที่ <c oughs> มีความสงบแล้วความสุขนั้นเกิดขึ้น ในจิตในใจนทั้งสนนู่คือความสุขทางด้านธรรมะซึ่งพวกเราทุกคนปราถนาไม่ว่าคนชาตดดิใดวันน้ใดประเทศใดส้องการความสงบความสุขของใจฉะนั้นพวกเราท่านจิวซางเซยามาจากประเทศ จากบ้านช่องของตนมาฝึกฝนอบรมใจก็ให้มีสติดูแลรักษามีปัญญาแนะนตัวของตัวไม่อย่างนั้นวันคืนเดือนปีที่ผ่านไปก็จะไม่เกิดคุณงามความดีอะไรให้ไปแต่ฐานที่ใดก็ไม่สุขไม่สงบให้ก็เพราะเราไม่รักษาใจของเรา เรารักษาใจของเราได้สถานที่เหมาะดีไม่มีรูปเขื่อนพาดไม่มีเสียงเกี่ยวข้องที่ภายนอกวิเวกหยุรักษาจิตของตัวให้วิเวกโดยสติโดยปัญญาแนะสอนำใจภาวนาละสิริ ไม่ยอมติดตามสัญญาอารมณ์ขังหนอออยากจะให้จิตสงบอยากจะให้จิตรวมรวมจะต้องทั้งวอนรักษาจิตใจภายในรักษาเอาไว้ไม่ปล่อยไปตามอารมณ์ต่างๆที่มาอยู่วยุจิตใจถ้าเรามี <c oughs> <c oughs> สติรักษามีปัญญาสอนตัวอยู่อย่างนั้นจิตใจ ของเราที่เคยฟุ่มเฟุ้งติดตามอารมณ์ต่างๆมันตกไปหมดไปใจจะสงบเมื่อสงบความสุก็เกิขึ้นค ท, ที่จะสุกเสมอด้วยความสงบไม่มีแังจริงว่านัตถิสันติปลังสุกขังสุกอื่นนอกจากความสงบไม่มีความสงบ มันมีหลายขั้นหลายตอนเราสงบจากอารมณ์สัญญาภายนอกสงบด้วยจิตใจรวมเป็นสมาธิเราก็เห็นว่าความสงบเย็นอันนี้คนทั่วไปที่มั่งมีสมบัติทัสย์สานเสาของเงินทองบ้านช่องต่างๆถึงเขาเชื่อว่า มีฐานะดีเป็นเศรษฐีของชาติหรือของโลกเขาเหล่านั้นจะในมีเวลาประสบพบเห็นความสุขความสงบของใจอย่างที่เราเห็นเราเป็นอยู่นี้ทราบดีแบบความสุขภายนอกที่มนุษย์ผู้ทุกชนทั่วไปหลงไหลไฝ่ฝันเป็นความสุขจอมปลอมเป็นความสุขที่ไม่แน่นอน เป็นความสุขที่ไหและเอียดสุขขุมเป็นความสุขของสัตว์ถั่วไปที่เป็นได้เมื่อเขาไปศพพบเห็นเขาได้สิ่งที่ปรารถนาของเขาไม่ใช่ว่าจะมีแต่มนุษย์เราเท่านั้นจะมีความสุขในกับการกินอยู่หลับนอนสืบพัน อะไรต่างๆนั้นสัตว์ทั่วไปมันมีแต่ความส ง, งบโดยการฝึกจิตให้เป็นสมาธินี้จะมีเฉพาะบุคคลผู้ตั้งใจฝึกฝนอบรมเท่านั้นมันถุกหน้่อัศจรรย์มันถุกที่บอกไม่ถูกสำหรับคนที่เคยประสบพบเห็นเมื่อตัว ฝึกตัวอบรมตัวบําเพ็ญเข่าไปสบความสุขความสงบภายในอย่างนั้นความเชื่อมัน่นท้องใจไม่ต้องไปหลงไหลไปฝันสิ่งอื่นความสุขในตัวของเรานี้เป็นความสุขที่หน้าสาธารณเป็นความสุขที่เลิเลเศละเอิยดกว่าความสุขภายนนอกสิ่งเกี่ยวก่อ กับอารมณ์สัญญาเกี่ยวก้อกับวัตถุสิ่งของท่านเชื่อมั่นแลาตั้งใจใจะทมบาเพ็ญเพื่อความสงบเพื่อความเย็นคล่องใส่นี่คือการอบรมจิตใจการฝึกจิตใจการภาวนาแก้ไขละ้ิีหลุทุกคนถ้าไม่เห็นไม่เป็นก็จะไม่เชื่อว่าความสุขนี้มีคุณค่าสาระขนาดไหน ถ้าเห็นว่าเป็นในจิตในใจก็ไม่มีใครที่จะถกเถียงว่าความสุขอันนี้เป็นความสุขที่แน่นอนจริงจังที่รังยั่งยืนสุขอื่นภายนอกเรียบเกี่ยวกับความสุขของอดของธรรมของการฝึกอบรมจิตไม่ได้จะต้อง เชื่อมั่นอย่างนั้นด้วยกันทุกคนพอเห็นทอเป็นในตนไม่ใช่มันอยู่ภายนอกเมื่อมันสุขมันสงบอย่างนั้นมันก็มีโอกาสเวลาจะใช้ปัญญาที่นิพพานะสิ่งต่างๆให้รู้เข้าเ ข, ข้าถึงสิ่งนั้นนั้นตามจริงๆของมันได้เพราะจิตมีกำลังด้วยสมาธิด้วยความสงบ ไม่สายแสบทีนี้พิจารณาอะไรก็เข้าใจในสิ่งนั้นตามเป็นจริงของมันยิบที่เคยยึดมัน่นถือมั่นในสิ่ ง, งต่างๆเมื่อปัญญาเข้าไปอย่างรู้พิจารณาดูโดยชัดเจนมันจะเห็นจะแก้ไขใจจะไม่จิดไม่คล้องไม่ยึดไม่ถือในสิ่งแบบนั้น เห็นจริงนั้นนั้นเป็นจริงของมันตั้งแต่เรายังไม่พิจรารณาเรายังไม่รู้จริงเหล่านั้นมันก็มีอยู่เป็นอยู่อย่างนั้นเรารู้สิ่งนั้นมันก็ไม่เดืดสิบหายไปที่ไหนมันมีอยู่อย่างไรมันก็เป็นไป ต, ตามหน้าที่ของมันและสิ่งเหล่านั้นมันเป็นอนิจจจังตร้างขึ้นแต่ฟุ้งและแตกสลายไม่ว่ารูป ของหญิงของชายหลุดต้นมม้ฟูเขาหรือสิ่งต่างๆนานาสี่มาเกี่ยวข้องกับสัญญาอารมณ์ภายในกว่าทานองเดียวกันมันเป็นอยู่อย่างนั้นความรู้ที่มีอยู่ในเราไม่เคยล้นละไม่เคยจากหนีจากจิตจากใจท่องตัวทราบตามเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างจิตไม่เยอะจิตไม่คล่องไม่แวะ ในสิ่งต่างๆหยิถูกหยิบสบายด้วยอำนาจของสมาธิที่รวมลงเป็นหนึ่งมีความตั้งมั่นหนักแน่นพิจารณาอะไรแก้ไขอะไรสิ่งนั้นกยจะทะลุปุโป่งไป้าหานยังไม่ ทุปูปวงไปในวันนั้นเวลานั้นวันหน้าเดือนหน้าที่เจริญมาต่อไปอะไรที่จิตยังมีสงสัยก็นำสิ่งนั้นมาที่เจริญมาให้จิตเข้าใจเห็นแจ้งในสิ่งเหล่านั้นจนไม่มีปัญหาที่จะสงสัยในจิตในใจของตนว่ามันหลงมันยึด ในอะไรอีกสงสัยในอะไรอีกนี่คือเรื่องปัญญาเพื่อจะแก้ไขเพื่อจะชำระใจของตัวไม่อย่างนั้นมีแต่สัญญาทับผมโจมจีมาอยู่เรื่อยแต่ก็เข้าใจว่าเรามีปัญญามีความรู้แต่ก็รู้อย่างหลงหลงไม่เขา้าถึงความจริงของมันใจของเราจึงเกิดทุกข์เกิดโทษ ไม่มีความสุขความสงบให้นี่คื่อใจรู้ด้วยทวามหลงหลงด้วยความรู้ไม่ใช่ใจที่เกิดปัญญาตายยามภายในใจมีปัญญาภายในไม่เป็นอย่างนั้นมันรู้มันเห็นสิ่งใดชัดเจนตามเป็นจริงมันไม่มีสงสัยตายนอกเป็นอย่างไร ทราบดีภายในที่จะแก้ไขนี่อีกไหมกอทราบอีกนี่คือการชำระกสะางจิตใจที่จะให้เข้าไปสู่สันติคือความสงบทุกการทุกเวลาทั้งังที่จิิงภายนอกทั่วโลกมันเป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาแต่ผู้รู้มันเป็นอย่างนั้นหรือไม่ ถ้าหากมันยังเป็นอย่างนั้นอยู่กูยังทายไม่ได้ยังจะต้องทําร่างภาสายังจะต้องพิจารณาให้รู้ให้เห็นชัดเจนว่าสิ่งนอกเป็นอย่างหนึ่งสิ่งในเป็นอย่างหนึ่งผู้ที่มารู้อ น, นิจจังทุกขังอนัตตานั้นมันไม่มีวันเวลาที่จะเป็น อนนีจังทุกครั้งอนัสตาไปกับั้งนีแจะจิ่งภายนอกที่มันเป็นไปอย่างนั้นเป็นเรื่องของมันธรรมชาติของมันแต่ผู้นั้นไม่เคยที่จะสงสัยที่จะเป็นไปตามสมมติวอนิจจังเป็นอย่างไรทุกครั้งเป็นอะไรอนนัสตาเป็นอย่างไรความรู้ความบริสุทธ ของจิตของใจที่ได้ฝึกอบรมถึงที่ไม่มีทางสงสัยไม่มีการแยแคร์ไม่มีอะไรที่จะตจิดข้างอยู่ในโลกกว่าสักจะไวาอยู่ตายไปเมื่ อ, อไรก็ไม่มีอะไรที่จะสงสัยว่าจะไปก่อพบก่อชาติอีกพอหมดทุกสิ่งทุกอย่างในจิตในใจของตน ไม่มีการจังวลที่จะสำลักจะบำเพนนี่คือการฝึกอบรมจิตใจเพื่อถึงสันติมีความสุขความางสงบความประเิฐวิเศษอย่างนี้ในว่าชาติใดภาษาใดในแบบไทรทั้งหมดถ้าหากระพพติปฏิบัติรู้จักเห็นจริงในอดในธรรมเป็นอย่างเดียวกันถึง เนีว่ะคนเหมื น, นั้นรูปร่างกลางตัวจะไม่เหมือนกันสวดตามแต่เมื่อไปถึงจุดหมายปลายทางคือการประพฤติปฏิบัติแล้วมันเหมือนกันหมดเหมือนกับน้ําในสายต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ําโขงน้ําอะไรก็ตามมันไหลลงไปรวมกันสี่ทะเลน้ําทะเล จะมีสีเหมือนกันและรถเค็มเหมือนกันมีจิตใจของพวกเราท่านถ้าหาต่อเพื่ปฏิบัติไปถึงที่สุดแล้วมันเหมือนกันหมดพั้พผู้ใชเจ้าส า, าววกจิตแปลกนิพพานไปแล้วนางขนาดไหนก็เหมือน ก, นกันกับใจผู้จิตประพฤ่ปฏิบัติถึงบริสุทธิ์อยู่ในขนาดนี้ไม่มีทางสงสัยคน อนุชนทางหน้าเขาจะท้งหน้าตทางตาเพื่อปฏิบัติรักษาจิตอบรมใจของเขาก็าจะเป็นอย่างไรเมื่อถึงความบริสุทธิ์แล้วก็เหมือนกันอดีตอานาคตเหมือนประจุบันไม่มีอะไรจะสงสัยนี่คือการเพื่อปฏิบัติใจท้องตัวเข้าถึงความบริสุทธิ์มันเป็นอย่างนั้นมันจึงไม่มีปัญหาอะไรที่จะก่อขวนจิตใจ ให้วุ่นวายเดือดร้อนมีแต่สุขแต่สงบอยู่เรื่อยไปมีเต็มสิ่งีิปราปนาของทุกคนทางจิตของตนเข้าถึงความสุขความสบายความสงบเหนือที่เลียดด่างนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรกันที่จะพูดให้เหนต่อยปาก ทุกคนเห็นทุกคนเป็นในตัวนี่มันยังไม่เป็นม่เห็นอย่างนั้นพวกเราท่านยังยุ่งเห ย, ยิงกับสัญญาอารมณ์ยังมีสิ่งที่ควรละเยอะแยะยังมีสิ่งที่ควรบาเพ็ญมากมายดันั้นจึงได้ฝึกใากันแงสอนกันแล้วพวกเราทุกคนที่ยังเป็นอย่างนั้นในตัางหน้าต่างตา ติดสารตั้งหน้าตั้งตาดูแลจิตใจท้องตัวเพราะดีชั่วไม่ได้เกิดมาจากที่อื่นเกิดขึ้นจากจิตจากใจคนอื่นศาสตร์อื่นทีแล้วว่าชั่วกว็จิตใจของเราไม่ปราถนาจิตใจของเราไม่ชอบไในสิ่งนั้นความจริงสิ่งนั้นเขาไม่ได้ชั่วได้ดีอะไรสั่งเป็นเรื่องของเขา ที่เป็นไปอย่างนั้นยิตไม่ชอบจิตไม่ยินดีก็ไปถือว่าชั่วว่าเสียไปเสียถ้าจิตชอบจิตยินดีก็ไปยึดไปถือว่ามันดีน่ารักน่าชอบน่าอยากได้มันไปแบบนั้นมันเกิดขึ้นจากภายในคือเกิดขึ้นจากใจท้องตนใจที่ไปรุ่มหลงยึดมัน่น หมายว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ชั่วนี่คือใจที่ยังมีวิเลี่ยนปัญหาใจที่ยังไม่บริสุทธิ์ยังไม่เห็นไปจากชัดเจนไม่หลักธรรมจริงจังมันเป็นอย่างนั้นจึงจะต้องแกไขใส่ใจรู้เห็นตามเป็นจริงในสิ่งนั้นนั้นเดกปัญญาของตนปัญญานั้นไม่เหมือน ัญญาคือรู้เข้าใจริ่งใดสิ่งนั้นจะต้องมีทางสงสัยใน ม, มีทางที่จะแก้ไขกันอีกนี่คือปัญญาถ้าสัญญารู้แล้วก็หลงไปเดมไปในเหมือนปัญญาที่เกิดขึ้นจากธรรมะคือการฝึกใจทุกคนถ้ามีปัญญากวาสามารถ ที่จะที่เจนทุกสิ่งทุกอย่างให้เห็นตามเป็นจริงได้แต่ปัญญาของเรามันไม่มีมันมีแต่สัญญาจึงหลงสิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดยีเหลี่ยมปัญหาเพราะเอาสัญญามาเป็นปัญญาไม่ใช่ปัญญาจริงพระพุทธเจ้าขันย์ยิ่งสอนให้ฝึกอบรมจิตให้มีความตั้งมั่น นักแน่นในสมาธิเสียก่อนอย่าที่เจานะเราญนาธรรมจึงอยกว่าที่ปัชนาหรือปัญญานั้นมันจึงจะแจ่มใสชัดเจนละเริ่มจากตัวดีต่างๆได้ถ้าหากวันนี้สมาธิมีความหนักแน่นของใจที่เจริน า, าไปมันก็เป็นขัญญาเสียทั้งๆ ท, ที่เห็น ี่รู้แต่มันโกเมนละไม่ถอนให้ใช้เกิดมาไม่เคยเห็นความแฉะความเจ็บของความตายของคนเคยเห็นแต่จิตมันก็ยังยึดยังถือว่าทิ้งเหล่านั้นมันเป็นของคนนั้นมันไม่ใช่เป็นของของเราถ้าเป็นของของเราจะเป็นอย่างไรถ้าไม่เกิดขึ้นกับ ใายจับใจของเราลือกเกิดขึ้นกับสิ่งที่เราห่วงเห็นมันเดือดร้อนวุ่นวายมันไม่เห็นเป็นธรรมดาไปได้ถ้ามันเห็นเป็นธรรมดาไปเหมือนกันหมดมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะปัญญาของเรายังไม่ยั่งถึงจริงจังมันเป็นอย่างนั้นมันยึดมันถือมันข่องมันติดมันคิดมันปรุงถ้ามันมีปัญญาจริงจังไม่ว่าภายนอกภายใน มันเหมือนกันหมดอดีตอนาคตมันเหมือนปัจจุบันยังไม่มีอะไรที่จะสงสัยเกิดมากี่พบกี่ชาติมันก็เหมือนชาตนี้จะมีไปทางไหนกี่พบกี่ชาติมันก็เหมือนกันจะไปเอาเวลาใดการใดสมัยใดที่เราจะตั้งใจทำลายชีวิตมันก็เลยไม่มีโอกาสไลาให้แต่ยัง เป็นหนุ่มเป็นสาวก็ถือว่าไม่ใช่หน้าที่ของเราควรจะแสวงหาเข้าฟังเงินทองไหนบ่างมีศี่สุขเชื้อ่อนอายุแก่ยิงขวอยึกอบรมยุดใจเขอวัดเขอวาหยุดาธรรมพอแก่มาปวดแข่งปวดขาเจ็บหลังเจ็บเอวยุ่งเยอะกับงานบ้านสองลูกล้านเลี้ยนจะต้องดูแลรักษา จะไปวัดไปวะไปไม่ได้อีกผลที่สุดเอาเขาหิบเขาลงเชื่อก่อนเขาแห่เขาหามไปนั่นแหละหมดลมหายใจเขาวัดได้จะไม่เกิดประโยชน์อะไรให้คนเขาวัดแบบนั้นเราจะต้องศึกษาต้องพิจรารณาเรื่องกิเลสปัญหามันพอไหมเป็นงทันจึงว่านัตทีทันจ <c oughs> ินตทีปัญหาสมานตที แน่นะจะเสมอด้วยปัญหาไม่มีแมน่นะมาหาสมุทรทะเลใหญ่ตโตระหดวามกว้างขนาดไหนลึกขนาดไหนไม่มีใครที่จะปริมาณได้ความน้ำอยู่ในนั้นมีกี่ลูกบาศเม็รมันมากแสนแม่ล ức, ึกแสนลึกกว้างแสนกว้างจนสายตาเรามองหาฝั่งไม่เห็นแต่ถึงขนาดนั้นมันก็ไม่ เทียบเท่ากับที่เรียกัญหาภายในใจของเราปัญหาในใจของมนุษย์มากกว่านั้นลึกกว่านั้นกว้างกว่านั้นไม่มีเครื่งวัดเพามันลึกขนาดไหนกว้างขนาดไหนแต่จริงว่าตัญหามันใหญ่มันโตความอยากของใจมันใหญ่มันกว้างถ้าหากเรามีปัญญา ที่จะแก้ไขปัญหาเหล่นั้นมันก็ไม่ยากไม่ลำบากเท่าไรถยงจะแสวงหามาได้ขนาดไหนเราไม่จากมันมันก็จะจากเราไปสิ่งที่เราหือห่วงยึดถือว่าของของเรานั้นทุกคนที่เขาลวงรับดับหายตายไปมันเหมือนกันเขาเคยยึดเคยถือเคยอยากได้แสวงแหาวิ่งวุ่น อยู่ทุกวันทุกเวลาเ้าตายไปก็ไม่ใช่หรอกเขาเบื่อน่าในรายได้ของเขาเขายังยึดยงมั่นยังยินดีในสมบัติของเขาไม่อยากตายจากสมบัติไปแตเหตุใดเขาจึงตายไปหรือถงการถึงสมัยจะมีสมบัติพ่วมฟ้ากอดตายจะมาหักห้ามไม่ให้เจ้าไม่ให้ตายในได้ธรรมชาติของ ขาดของขันของสร้างขานมันเป็นอย่างนั้นเมื่อเราพิจารณาในธรรมะเอาตายไปเขาหอบผิวหาบหามไปัหมเขากอบหอบผิวหาบหามอะไรไปไม่ได้เราเหล่าที่ลุ่มหลงอยู่เดี๋ยวนี้จะมีอำนาจวาสนาไหมหอบผิวหาบหามไปไหมเขาเป็นอย่างไรเราก็เป็นอย่างนั้น ทำไมจีนไปหลงไหลใส่ฝันจนเกินเหตุเกินผลหาความสงบหาความสุขของใจไมด้นี่คือปัญญาที่จะแนะนใจของตัวไม่ให้ลุมล่มหลงไม่ให้ยึดถือไม่จีนต่างๆที่เราแปถนณะถึงเป็นด้านวัตถุถึงเป็นเรื่องของโลกเมื่อ ปัญญาทราบเห็นจริงอย่างนั้นมันก็แกไขท่องมันมีชีวิตอยู่กว่าแสวงหาแกเท่ว่าม่ไเด้ติดทองมัได้กังวลทีนี้พิจารณใหน่หาความสงบหาความสุขท้องใจเป็นส่วนใหญ่ นี่คือจิตใจผู้ที่รู้ที่เห็นที่ดีที่เย็นในอดในธรรมถ้าในมุ่งหวังอะไรมากกว่าความบริสุทธิ์ท้องใจงวันคืนเดือนปีผิตผ่านไปจะต้องปฏิบัติกายปฏิบัติใจท้องตัวให้เข้าสู่ธรรมะให้เห็นธรรมะให้เชน็นธรรมะ โอกาสเวลาถ้าหากเราพอใจเราเลื่อมใสเรายินดีมันพอมีที่จะทำแต่ถ้าเราไม่ยินดีไม่พอใจไม่เลื่อมใสไม่ศรัทธาไม่เกิดเวลาให้จะหนังสมาธิภาวานา ล, ลัทิเลสมันไม่ีโอกาสเวลาแตคุยกันทั้งวันทั้งคืนก็ได้ ที่มันชอบถึงการงามหน้าที่จะทำนีอยู่มันก่อปล่อยสาละเลยไปได้พอมันชอบมันยินดีมันไปได้มีการภาวนาสำรัที่เหลือถาหากเรามีความชอบมีสติมีปัญญามีธรรมะในใจมันมีโอกาสเวลาที่จะเน้สอนใจค่องตัวให้ละชั่วบาเพ็ญดีเหื่อทุกค น, น, น ตัางนาตัางชาติต่างวรระวังรักษาจิตใจของตัวที่คิดปรุงปรุงไปต่างๆด้วยสติด้วยปัญญาด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เหมือนยาที่ไปแก้ไขโรคไข้ท้องตาเมื่อยาดีมีคุณภาพแก้ไขขับไล่โรคไข้ออกไปเท่า ไ, ไ ร, รไออไาตายก็มีความสุขความสบายไปเท่านั้น ถ้าติปัญญาที่ขับไล่จิเลตตันหาภายในก็อทำ น, นองเดียวกันควรที่มีศรตตามีความเพียแรแผบเผาจิเลตฟ้องใจจะไปอยู่สถานที่ใดตัางหน้าต่างตาที่ีีพิจารณาสำาระคนนั้นมีโอกาสมีเวลาที่จะไปสุขความสุขความสงบภายในได้า ไม่พินิดพีจใจมาปล่อยวันเวลาให้เสียไปมันก็ไม่เกิดอะไรห้การพูดการคุยการเล่นการเพลินไม่ใช่นักปฏิบัติเป็นคนอารมณ์มากเท่าไรก็ยิ่งมีความยุ่งของใจเท่านั้นฉะนั้นผู้ปฏิบัติ จะต้องฝึกหัดกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยตั้งหน้าตั้งตากำ <c oughs> หนดที่เจรนารักษาใจของตัวอยู่ทุกขณะทุกเวลาเมื่อพูดที่รักษาใจของตัวด้วยเศรีปัญญาอย่างนั้น ใ, ใจจะ เข้าถึงสิ่งสมาธิม <c oughs> <ichi> ีความสงบแล้วก็พคดไม่ได้พอ เด็ทำพเราตัมาทำความดีแล้วตั้งใีมาศึกษาหานดีแล้วเราก็จังทำของเราเองสวดมนต์ก็เหมือนกันแต่สวดมา่สวดน้อยแค่ไหนะเป็นหน้าที่ของทุกคนคำว่าจบตรงไปกบสวดมนต์ต่อตอนเช้าก็เหมือนกันเขาสราเมรจะเป็นที่อาศัยของชาวบ้าน ถ้าหากเขามีกิการงานเกิดขึ้นเราไม่ท่องบนเอาไว้เราไม่ตรวจเอาไว้จำเอาไว้เมื่อไปในงานเขาเขาอาจจะตรวจไม่ได้ตรวจเขาไม่ได้เขาเกี่ยวว่าแท้มีจะ่กินกับขี้เท่านั้นเพีงมาทาจิตละเนี่ยจี่นี้น้อยๆแย่นี้เราทำให้เราไม่ได้เขาก็เกว่าไปแบบนั้นเขาไม่ตรวจศรัทธาให้ เขาไมเลือมใสชีว <c ười> ิตขงเขาจอยู่กับคารวะใช่ไหมการไหวฟ้าเหยื่อมบนข้าววัดข้าเย็นทุกอย่างเราจะต้องเอาใจใส่จะต้องจดจำเอาไว้ถึงข้าวถึงสมัยที่เขาใช้เราก็จะต้องทาให้เขได้เพราะเร่งเหล่านี้ในเดี๋ยวสไม่จะต้องจดสอนตัวอย่างไหม นอย่างั้นท่านำเราก็อยากคกันอยากทาอะไรก็ทาไปตามเดือนของตัวแบอยานอนอยากเยแเฉยอย่างไรป็นไปตามเดือนนั่นเองคนที่มาปฏิบัติคนที่มาปฏิบัติมันจะต้องสอนตัวฝึกตัวทุกสิ่งทุกอย่างไปอที่จะเดคุณค่าแล้ว่าแต่ตัวของตัวนี แต่ทำมุมเชนปฏิการปรชุมกันทุกวันทุกเวลานั้ น, นก็บางทรันงบางค น, ค น, นก็ไม่ไคยถูกอธยาสายบางทรันบางคนก็ถูกแต่ประเด็นนีที่ กูที่อาจารย์ท่านเคยทำมาสมวันสี่ันประชุมกันที่หนึ่งถึหกวันเจ็ดวันถึงประชุมที่หนึ่งตัวมีหมายถึงการประชุมภายนอกแต่ตัวท่านเคยขาดํามฝากความเพียงไปรชุมกันก่อนเนี้ยสอนเคยจะให้รู้จักสวัดิปฏิบัติขอการ Blue แม่สอนก็เคยแม่สอนมาแล้วพอวัดปฏิบัติมีอย่างไรเราก็ต้องเก็บจำเอาไว้ตั้งใจทำตามหนอยู่ดัองเราถ้าจะให้ใันบางคนช้าฉังจะทำแต่อย่างนั้นมันเป็นให้จิตใจเราจะต้องบรรพัดตัวเองขอบคุณคนอื่นบรรพัด ตัวเองสัญญาเกิดกิการ